เนดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนซาบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยพักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ สู่ความรุงเรื่องทั่ว์กันดำคูมต้นโตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเรา นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง สู้ความรุงเรืองทัวกันดังคูต้นต่ตสู้แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแดงบางงาตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู้ยังท้องถิ่นบ้านเรา นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา เป็นผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันวนเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีเศรษฐา น, นายกตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้บอกนโยบายในระหว่างที่เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยมประจำปี 2,166 นะก็บอกว่าจะพยายามให้มีการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะตามนโยบายนะที่ถแถลงกันไว้ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้แดียวก็จะพัฒนานะท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นในตรง น, นี้ก็ให้อบทอไป ช่วยกันนะครับในการที่จะนําไปแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็มอบนโยบายกันไปคือการกระจายอํานาจนี่ก็เป็นนโยบายของหลายๆพักแล้วครับพยายามที่จะให้ท้องถิ่นได้มีมมมอํานาจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนายงตีนี่ก็มีคิวในการเดินทางลงพื้นที่แล้วไปต่างประเทศกันแน่นค่อนข้างที่จะแน่นล้วครับที่เราเราเห็นดูอย่างเช่น จนช่วงปลายปีนี้หลังจะมีการไปประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่สหรัฐเมกาในระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วลหลังจากเดินทางกลับมาจากการประชุมเอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศนะที่อยู่ชายขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองซีกเหรครับนะนะทั้งซีกเอเชียแล้วก็ซีกสหรัฐเนี่ย ครับซึ่งเป็นเศษเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ลครับนะหลังจากนั้นนี่ก็จะวังกลับกลับมาเมืองไทยวันที่ 23-24 พฤศจิกายนจะไปประชุมที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็กลับมาวันที่27พฤศจิกายนก็จะไปร่วมประเพณี้อยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยนะครับนะ 28, ประชุมค อ, อ, อรมอนะครับแล้วก็จะ ไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ร่วมระเพนียี่เปงนะเป็นการลอยกระทงแบบแบบชาวเหนือละครับล้านนานะในช่วงวันที่ 28-29 พฤศจิกายนลงพื้นที่นะครับนะในภารกิจแถวเชียงใหม่แถวอุตรดิตแถวพิศโลกนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ในส่วนนี้ก็จะเห็นนะครับนะว่าคิวนายกนิ่แน่นนะนะลงพื้นที่กันโดยเฉพาะตอนนี้ก็ตะเวน ต่างประเทศแล้วก็จะมามาทางภาคเหนือนะครับนะส่วนกรณีเกี่ยวกั บ, เ, กกบเรื่องที่การปรับขึ้นเงินเดือนราชการเนี่ยหลายคนก็สนใจนะครับนะึ น, นายกก็มอบให้นายปานปีมาหิตธานานุ ก, กรทึงเป็นรองนายกนะเ ป, นเป็นประธานไปศึกษานะซึ่งนายปานปีก็เปิดเผยบอกว่าวันที่สิพฤศจิกายนได้เรียก4หน่วยงาน ที่นายกให้ไปศึกษาเนี่ยมาม า, ม า, ม, ามาพูดคุยได้แก่ ก, กระทรวงการคลังแล้วก็มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับคณะกรรมการข้าราชาการพ ล, ลเลือนนะแล้วก็มีสำนักงบประมาณมามาประชุมหาลือนะครับว่าอาจจะมีแนวทางอย่างไรนะครับนะเพราะว่าข้าราชาการในในกลุ่มต่างๆก็อาจจะไม่ไม่ได้รับการปรับเงินเดือนมาหลายนะหลาย หลายเดือนแล้วนะครับนะเพราะนั่นก็อยากจะมีการปรับหรือไม่เนี่ต้องดูนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ตรงตรงนี้ต้องกําลังจะไปศึกษานะครับว่าว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเคยหาเสียงไว้นะครับว่าอาจจะมีการปรับเงินเดือนขั้นต่ําบี้ยตีประมาณสองหมบาท2 5ง0 0ืบาทต่อเดือนแต่ต้องใช้เวลาในระยะยาวซึ่งหลายคนก็รอแล้วครับเพราะว่ามีการหาเสียงกันไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องติดตามดูว่า จะขยับกันอย่างไรนะครับนะในเกี่ยวกับเรื่องของการปรับในส่วนของเงินเดือนของของข้าราชการนะครับนะซึ่งจริงจแล้วก็ในส่วนของพี่น้องแรงงานนี่ก็รออยู่เหมือนกันนะฮะมีการปรับค่าแรงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับนะว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นนี่เราจะมีการปรับตัวกันกันอย่างไรนะเพราะว่าปัญหาการ ค่าของชีพนี่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วครับนะตอนนี้นี่ก็เห็นมีการปรับขึ้นราคาสินค้ากันหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลนี่ก็ยังต้องตึงตัวกันอยู่รวมทั้งน้ํามันนะครับ น, ะน้ำมันพอประกาศว่าจะมีกา ร, รลดราคานี่บางปั๊มก็ขึ้นป้ายว่าน้ํามันหมดนะโดยเฉพาะน้ํามันเบนซิลนะครับเพราะฉะนั้นตรงหงจะต้องมาควบคุมมาดูแลกันอีกทีนึง่งเราฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับ เพียงไหนไม่เคยคิดเปลี่ยนใจจากอยู่ไกลแค่ไหนไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงจากสื่อตรงในรักรักเธอไม่เคลือบแคลงเสมอไปก็เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่า เธอคงไม่มีอีกแล้วไม่มีใครคนไหนเข้าใจเหมือนอย่างเธอเฝ้าดูแลเสมอทุกทีที่เศร้าใจปลอบประโลมกลมขวัญจนจนไม่วันไหวในสิ่ง เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้วจากบูชาความรักที่เธอมีให้ฉันจากกี่เดือนกี่วันหรือปีที่ผ่านไปจากจดจำรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้วนะคุณแม่ผมรักแม่ มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอรัฐบาลนะครับนะาบา ง, งกระทรวงเกษตรหรืออะไรมีแนวโน้มว่าจะมีการาปรับโฉนดสอบประกอเป็นโฉนดที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็หลายฝ่ายก็รออยู่นะครับนะว่าอาจจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะซึ่งก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็ ถ้ามาเอาโฉนดสพกรมาเป็นฉนดแล้วไปค้าประกันสถาบันกู้เงินมามามาใช้จ่ายนะครับทำการเกษตรอะไรต่างๆนี่ ก, ก, ก็ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีของเกษตรกร น, นะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงอยากให้รอบคอบนะว่าเป็นอย่างไรปปรชก็จะเชิญเลขานที่การสพกรมาร่วมประชุมประเมิน สภาวะด้วยนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก่อนอการเปลี่ยนสประกอมาเป็นโฉนดเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ก็คื อ, อการประเด็นแรกคือการจัดที่ดินนี่เป็นไปเพื่อการประกอบการเกษตรตามศักยภาพพื้นที่นะอันที่สองนี่เปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว้ดังนั้นนะครับอันที่สาต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สประกอบกำหนดไว้ นะอันที่4ก็ใช้คำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่งนะประเด็นที่5นี่ก็ต้องถือครองนะสอปกศีกขีดศ์และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีนะซึ่งก็มีกเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขนี้ประมาณ1 6ึ่0ล้านห0 0สลายนะครับนะรวมเอกสารสิทธิ์ก็ประมาณ2ล้านนะส0 0 0 ฉบับนะรวมเนื้อที่ประมาณ2 0,000 ื่นประมาณ22 22ล้านไร่นะครับนะก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรก ร, ร, กรนะในการที่จะมาปรับเปลี่ยนมาหมุนเวียนนะครับนะเพื่อจะเอาเงินมาม า, มาฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะตรงนี้ น, นี่คงคงต้องตามดูนะว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของ ชาวไร่ชาวนานี่ก็ในส่วนว่ารัฐบาลมีแนวนโยบายบอกว่าจะช่วยเหลือชาวนานไร่ละ 1,000 นบาทไม่เกิน20ไรนะ่มีการประชุมหารือกันในวันที่10พฤศจิกายนนี้ก็อาจจะมีการนัดผู้ส่งออกลงสีอะไรมาหารือแนวทางในการที่จะทำให้ข้าวราคามันได้ได้ได้ได้ราคาสูงเป็นประโยชน์กับชาวนานะครับนะ แล้วก็อาจจะต้องมีการพยายามรักษาเศรษฐภาพเข้าเปลือกของมะลิให้มีราคาที่ไม่ตกมากเนื่องจากการประชุมครมวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยก็มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกกรัฐมนตรีพาณิชย์นะก่อนร่วมประชุมกับพนระัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐเป็นระัฐมนตรีเกษตรนะแล้วก็นายจุลพันธ์ก่อนรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับก็มีการประทันหลงกันวะนะ่าตรงนี้นี่กระทรวง พาณิชย์กระทรวงเกษตรหารือกั น, นว่าจะช่วยเหลือชาวนาไร่ละพั น, นแล้วก็หลวงนายกก็บอกว่าเกษตรก ร, ก, รก็ยินดีนะครับนะอยากจะให้มีการผลัก ด, ดันนะเพราะฉะนั้นีนตรงนี้นี่ก็หลวงนายกก็บอกว่าจะมีการหารือกับผู้ส่งออกข้าวนะไร่ใหญ่แล้วก็มีหลวงสีมาหารือนะให้กําหนดนะกำหนดเกณฑ์ว่าให้ข้าวเนี่ยได้ราคาจริงๆแล้วก็พยายาม ที่จะแนะนำชาวนาว่าถ้าเกี่ยวข้าวแล้วก็อย่าเพิ่งไปไปขายนะเอาเก็บไว้ในยุ้งฉางก่อนนะซึ่งก็จะได้ราคาสูงแล้วครับถ้าถ้าทิ้งไปประมาณห้าหกเดือนนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูเพราะชาวนาเนี่ยบางครั้งฐานะยากจนเนี่ยกไ็ไม่มีไม่มีเงินไม่มีอะไรที่จะไปสร้างยุ้งฉางได้นะก็ต้องขายไปนะตามราคานั้นเพราะฉะนั้นนตรงนี้คงจะต้อง มีมาตรการอื่นๆหรือไม่ในส่วนของรัฐที่จะมาช่วยเหลื อ, อชาวไร่ชาวนานะในช่วงนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จ ะ, ะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะทางทางทา ง, ทางการขายข้าวขายอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะราคาไม่ดีนะครับแต่ทำอย่างไรนะรซึ่งก็จะมีแนวทางบางส่วนเขาบอกว่าทำกเษนะทำกเษตรทาเกษตรผสมผสานนะฮะนะนะนะก็ ปลูกพืชผักหลายๆอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งทำนาทำพืชผักสวนครัวนะปลูกผักปลูกอะไรต่างๆแล้วก็หมุนเวียนนะครับนะซึ่งก็มีหลายๆเครือข่ายนี่ก็ส่งเสริมอยู่นะแต่ว่าก็คงจะต้องมีตลาดให้กับชาวบ้านนะที่ปลูกด้วยนะครับอย่างเช่นนะชาวบ้านปลูกพืชผักปเกษตรอินทร sea, นะีย์เนี่ยแลมีตลาดสีเขียวนะซึ่งก็ทำกันอยู่นะครับนะจึง ใ น, ในตามเรามีตลาดสีเขียวตามชุมชนต่างๆนีนะ่ผู้บริโภคก็ยินดีนะครับนะที่จะไปจับใจใช้สอยก็ต้องมีตลาดนะในการระบายสินค้าให้กับชาวบ้านนะครับนะเพราะว่าถ้าไปส่งเสริมแล้วไม่มีตลาดก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อได้นะก็มีหลายๆกลุ่มที่ทำผนะักนะปลอดสารพิษเนี่ยมาส่งตามตามห้างนะต่างๆก็ก็มีแล้วก็มีจำหน่ายตามตลาดนัดสีเขียวนะนะซึ่ง ก็มีอยู่หลายจุดนะอย่างมูลีลำนี้ก็มีอยู่ที่อัตลาดนัดสีเขียว ท, ที่ที่โรงพยาบาลนะมูลีลำแล้วก็ในส่วนของถนนคนเดินนะก็มีนะซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการจําหน่ายนะสินค้าทางการเกษตรก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องมีการส่งเสริมกันในหลายๆด้านนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึง ช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์คุณธ น, นันต้องขอลาท่านตัมก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ